วันนี้เป็นวันพระวันพระแปลว่าวันธรรมสวรรวันธรรมสวรรคแปลว่าวันฟังวันฟังธรรมนะธรรมแปลว่าคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสั่งคําสอนที่เกิดจากการตัดสรูงของพระพุทธเจ้าคือความรู้ ที่จะนําไปสู่การดับทุกข์นําไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองพราเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดลาดจากกันเป็นธรรมดาผู้ใดไม่อยากจะทุกข์ผู้ใดไม่ต้องการพบกับความทุกข์ ผูนั้นต้องไม่มาเกิดเท่านั้นเพราะทุกย่อมมีต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักทางสู่การดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เรียกว่าปัญญาความรู้ที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจที่จะไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจของสัตว์โลกความรู้นี้คือปัญญามีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตมยาปัญญา ระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่คือความรู้สามระดับด้วยกันที่จะต้องมีการพัฒนาจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สามเพราะความรู้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอง ยังไม่มีกําลังความสามารถพอที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้ต้องเป็นความรู้ขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ขั้นที่หนึ่งนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเป็นความรู้ ที่ทุกคนจะต้องเข้าให้ถึงก่อนคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาจากตาราของพระพุทธเจ้านีสมัยก่อนจะมีแต่การฟังธรรมแต่สมัยนี้นอกจากฟังธรรมแล้วยังมีการอ่านหนังสือธรรมะได้ด้วย ก็เหมือนกันจะฟังก็ดีจะอ่านก็ดีก็จะได้ความรู้แบบเดียวกันคือความรู้ที่ได้ที่เกิดจากการศึกษาร่มเรียนเรียกว่าสุตตะมายปัญญาอันนี้ต้องต้องเข้าสู่ปัญญาระดับนี้ก่อนผู้ที่ไม่รู้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็ต้องศึกษา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมดังในวันพระนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัตว์ได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตมยปัญญาความรู้เบื้องต้นเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนความรู้ของของเด็กทารก ต้องคลอดออกมาก่อนเด็กทารกนีเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องคลอดออกจากท้องแม่ก่อนต้องมีการกำเนิดมีการเกิดของทารกของร่างกายฉันใดปัญญาความรู้ก็ต้องมีการเกิดขึ้นมาก่อนต้องมีการคลอดออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าสู่ ใจของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกขนะ์แต่ยังเป็นความรู้ที่ยังไม่มีกำลังที่จะเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเหมือนกับเด็กทารกที่คลอดออกมาจากท้องแม่ยังไม่มีกำลังที่จะไปทาอะไรให้เป็นประโยชน์ได้นะต้อง จเจริญเติบโตต้องมีการรับประทานอาหารมีการฝึกเดินฝึกยืนฝึกอะไรต่างๆทําอะไรต่างๆจนเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และต้องไปได้รับความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกรู้จากวิธีทําอะไรต่างๆให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมายังมี ความรู้ความสามารถที่จะไปทำงานทำอะไรต่างๆได้ฉันไดปัญญาระดับแรกก็เป็นปัญญาแบบทารกนะเพียงแต่ได้เกิดออกมาจากท้องแม่ผู้ได้ยินได้ฟังธรรมก็เหมือนกับได้เรียนรู้ธรรมะแต่ธรรมะที่ได้เรียนรู้นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ ที่จะไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของผู้ศึกษาได้อย่างพวกเรานี้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องแต่ความรู้ที่เราได้ที่จะเอาไปใช้กำจัดความทุกข์นี้เรายังไม่สามารถเอาไปกำกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ของเราให้หมดไปได้อาจจะกำจัดได้บ้างเป็นบางส่วนเหมือนกับการตัดกิ่งตัดใบของต้นไม้แต่ยังไม่สามารถที่จะไปถอนรากถอนโคนของต้นไม้ให้มันตายอย่างถาวอนได้ต้องมีการพัฒนาต่อจาก ปัญญาขั้นที่หนึ่งสู่ปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่หนึ่งเราเรียนเราอ่านเราศึกษาเราได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกมีอะไรบ้างทุกก็คือเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ คือการมตัตหาภาวะตัรหาวิภาวะมรตหา <c oughs> นิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์และมรรทางสู่การดับทุกข์ว่ามีอะไรบ้างก็คือมีมรรคแปดมีศีลมีตจศิกขา มีทานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นธรรมต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้แต่ธรรมที่เราต้องมีเพื่อเอาไปกำจัดกิเลสตัณหาคือมรรคเรายังไม่มีกันถ้าเรายังไม่ได้ทาทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเรายังจะไม่มีกำลัง ที่จะไปกำจัดความทุกข์ต่างๆได้นะและทธรรมที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราฟังครั้งเดียวเดี๋ยวไม่กี่วันก็ลืมไดนะ้จึงต้องนำไปสู่ปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดของเรา หรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่าพิจารณาอยู่เนืองๆคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนี้เราต้องนำา อ, อกไปพิจารณาอยู่เนืองๆเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ล่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้นี่คือกฎอนิจจังที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาไข้ ค, ควรพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลืมนั่นเอง เพราะว่าเวลาที่เราไม่พิจารณาเราจะลืมทันทีเพราะอะไรเพราะอะไรจึงทําให้เราลืมก็เพราะว่าพอเราไม่ได้พิจารณาเราก็เกิดความโลภอยากได้อะไรต่างๆขึ้นมาทันทีอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไปถามใครดูว่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายกันไไ ม, ไม่มีมีแต่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย แล้วทำไมถึงไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายก็เพราะลืมไปไปคิดว่าจะเป็นไปได้นั่นเองใช่ไหมถ้าไม่เป็นไปไม่ได้ก็คงจะไม่อยากแต่อาจจะคิดว่าเป็นไปได้เพราะลืมคิดไปว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้แหละจึงทําให้เราไปอยากกันไปโลกกันอยากได้อยากอยู่นานๆเพื่อจะได้มีอะไรทําอะไรต่างๆได้นานๆมีอะไรสิ่งต่างๆได้นานๆจึงทําให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาซึ่งตัณหาความอยากนี้ก็คือตัวที่ทําให้จิตใจทุกข์นั่นเองความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยส่วนสาเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากอยากอยู่ไปนานๆอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราคืออยากได้าดลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายถ้ามีความอยากเหล่านี้แสดงว่าลืมความ ตายกันลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันถ้ามันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันความอยากที่จะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มันจะหายไปหมดไม่เชื่อลองไปเจอเวลาที่ไม่สบายแล้วไปหาหมอดูเลย หมอหวังว่าเป็นมะเร็งรักษามไม่หายแล้วขั้นที่สามเหลือเวลาไม่เกินสามเดือนทีนี้ยังอยากจะได้อะไรหรือเปล่ายังอยากเป็นนายกหรือเปล่ายังอยากเป็นสอสอหรือเปล่ายังอยากเป็นอะไรต่างๆหรือเปล่าความอยากหายไปหมดในทีนี้พอเห็นว่าจะต้องตายจริงๆนี่คือปัญหา คือเราลืมความตายลืมความแก่ลืมความเจ็บกันปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนนี่หายไปหมดเลยฟังหนนเดียวพอออกจากที่นี่ไปก็อยากเหมือนเดิม you, อยากให้คนนั่นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยคิดว่าถึงแม้จะได้มาดังใจอยากเดี๋ยวตายไปสิ่งที่อยากได้มาก็ต้องมีการพัาดพาดจากกันอยู่ดี น, นี่คือเราทำไมจึงต้องพัฒนาสู่ปัญญาขั้นที่สองเพื่อไม่ให้ลืมนั่นเอง เราต้องหมั่นพิจารณาทำที่เราได้ยินได้ศึกษาอยู่เนืองๆเช่นอริยสัจสี่เราต้องพิจารณาเยอะเรื่อยว่าความทุกข์ของเรามาันมาอยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายนี้ถ้ายังมีการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ยังจะต้องทุกข์กันอยู่ และเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องสร้างมัคคือเครื่องมือที่จะมากาจัดความทุกข์เครื่องมือที่จะมายุติการเวียนว่าตายเกิดมัค ก, ก็คือทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดเป็นองค์เดียวกันเป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่มีการแสดงต่างลักษณะกันเท่านั้นเองเหมือนคนคนเดียวกันแต่อาจจะพูดถึงคนนี้ในมุมเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนูกิเส์เป็นอะไรแต่ก็พูดถึงคนคนเดียวกัน อัในใดมรรคก็เหมือนกันมรรคนี้ ม, มีมีสามารถบรรยายได้ถึงสามลักษณะด้วยกันคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดเช่ 8, นสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นมรรคเป็นธรรมที่เราต้องสร้างกันขึ้นมา เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือ <c oughs> ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องเอาไปทบทวนไปพิจารณาอยูงเนืองหนึ่งเนืองมาตอนนี้เรา ม, ยมียังมีตัณหาอยู่หรือเปล่าเราละตัณหาได้หรื อ, อยังเรามีเครื่องมือที่จะละตัณหาหรือไม่ เครื่องมือที่จะละตัณหาก็คือทานศีลภาวนาเราใช้มันหรือไมเอ่เวลาเราเกิดความอยากจะไปเที่ยวเราใช้ทานมากำจัดมันได้หรือไม่ในวิธีจะละตัณหาความอยากไปเที่ยวก็ต้องเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานพอไปทำบุญทำทานแล้วเงินจะไปเที่ยวก็ไม่มีก็จะได้อยู่วัดหรืออยู่บ้าน จะได้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อไปได้ถ้าเกิดความอยากไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไม่ทำฐานก็ไปเที่ยวก็จะไม่ได้ไปอยู่วัดไม่ได้ไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะไม่ได้มรรคเนี่คือจินตามายาปัญญาคือธรรมที่เราต้องมาพิจารณาอยู่เนือง ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องกาจัดอะไรเราต้องสร้างอะไร noi. เราต้องกาจัดความอยากตัณหาความอยากต้องละมักต้องสร้างต้องสร้างมักให้สมบูรณ์เมื่อมักสมบูรณ์มักก็จะมีกำลังที่จะไปละตัณหาความอยากต่างๆได้เมื่อละตัณหาความอยากต่างๆได้ก็จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ นี่นี่คือขั้นที่สองคือปัญญาที่เราจะต้องมาใขค้ควรพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมพอลืมปั๊บเดี๋ยวถูกความหลงความอยากหลอกไปนะหลอกให้ไปเที่ยวแล้วสงการห้าวันไปแล้วหลอกให้ไปช้อปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของกันแลวหลอกให้ไป หาตำแหน่งหาอะไรกันเนี่ยตอนนี้ยังหาตำแหน่งกันไม่เจอฮะยังไม่ได้ตำแหน่งยังไม่ลงตัวก็ยังไม่อยู่หานพวกนี้ไม่มีมรรคอยู่เลยไม่มีความคิดอยู่เลยว่ามรรคคืออะไรและตัณหาคืออะไรรู้แต่ตำแหน่งอย่างเดียวรู้แต่ภาบยศสรรเสริญรู้แต่รูปเสียงกลิน่นโน้น ว่าจะหามาได้อย่างไรก็จะไปหาแต่สิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากแทนที่จะละความอยากกลับไปทำตามความอยากเพราะไม่มีปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบางคนเข้าวัดหยิบหนังสือให้ก็ปฏิเสธบอกยังไม่ถึงเวลามาวัดเพียงแต่ขอมา ทำพิธีนันเองมางานบวชของเพื่อนมางานวันเกิดของเพื่อนไม่ได้มาเพื่อมาหาธรรมะคำสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบมางานสังคมการมาวัดนี่มาได้หลายแบบนะมาแบบงานสังคมก็ได้เช่น ง, งานศพนี้ไปนี่เป็นงานสังคมทั้งนั้นแะไม่มีใครไปงานศพเพื่อไปหาธรรมะกัน ทั้งที่ธรรมะนี้แสดงให้เห็นอยู่เต็มตาเลยกับมองไม่เห็นกันธรรมะคืออะไรก็อนิจจงอนิจจาวตถสังขารานะนิมนต์พระมาเทศพระท่านก็บอกว่าอนิจจาวัตถสังขาราสังขารนรน่างกายทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาเนี่ย มีธรรมะแต่ฟังกันไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่เคยเอากลับไปทบทวนไปคิดอะไรเพียงแต่ว่ามา น, นี่มางานใครคนนี้เขามีความสาคัญกับเราอย่างไรทำไมเราจึงต้องมางานนี้เท่านั้นแหละที่ไปงานศพกันไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไปวัดเพื่อไปหาธรรมะไม่ได้ไปหาปัญญาแต่ไปทาหน้าที่ จาจภาษีสังคมพูดง่ายๆใจภาษีสังคมเขามางานเราเราก็ต้องไปงานเขาตอบแทนกันไปต่างตอบแทนกันอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีเข้าวัดให้เกิดปัญญาเข้าวัดให้เกิดปัญญาต้องมาแบบนี้มานั่งแล้วมาฟังพระเทศพระสอนธรรมะ หรือไม่ฉะนั้นก็มาหาหนังสือธรรมะอ่านอ่านหนังสือที่ธรรมะในวัดมันสงบกว่าอ่านที่อื่นสถานที่อื่นมันบกทึกคึกโคมอ่านหนังสือธรรมะถ้าไมส่สถานที่ไม่สงบอ่านจะไม่ค่อยเข้าใจอ่านจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าได้อยู่ที่ที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิรบกวนสมาธ รบกวนสติในการอ่านหนังสือถ้ามีสติก็จะอ่านหนังสือได้อย่างเข้าใจก็จะได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมเพราะว่าขั้นที่หนึ่งพอได้ยินได้ฟังได้อ่านเพียงครั้งเดียวถ้าไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ลืม ลืมไปหมดลืมไตลักษ์ลืมอริยสัจสี่ลืมตัณหาลืมกิจในอริยสัจสี่กิจในอริยาาสัจสี่มีอะไรทุกข์ให้กำหนดรู้ให้รู้ว่าทุกข์อยู่ที่ไหนาาทุกข์อยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุที่ทำให้มีการเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรคือตัณหาความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา การที่จะทำให้การเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสุดลงทำอย่างไรก็ต้องทำด้วยมีการเจริญมรรคต้องมีการทำทานเวลาจะเอาเงินไปใช้กับความอยากก็ต้องเปลี่ยนเอาเงินไปใช้กับการทำบุญทำทานแทนความอยากมันถึงจะหายไปถึงจะหมดไป เราก็ต้องไปรักษาศีลต้องไปปฏิบัติธรรมสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเองสร้างสติสร้างสมาธิส่วนปัญญาเราก็มาพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆต่อไปเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเรามีสติมีสมาธิแล้วเรามีปัญญาที่เราได้พิจารณาอยู่เนืองๆทีนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่ เราจะละมันได้ทันทีนี่คือเขาเรียกว่าปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นผู้สนับสนุนภาวนาแปลว่าส ม, มถะภาวนาส ม, มถะภาวนาก็เพื่อภาวนาให้เกิดสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา เมื่อจิตมีสมาธิมีอุเบกขาพอมีจินตามยปัญญามาบอกเวลาเกิดความอยากเช่นพออยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยปัญญาก็บอกให้เอาไปทำทานน้วยถ้ามีสมาธิมีกำลังก็สามารถเอาไปทำทานได้เลยพอคิดจะไปทำบาปปัญญาก็บอกว่าต้องหยุดทำบาปนะ เพราะทำบาปแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีสมาธิก็หยุดได้ถ้าพอจะไปอยากได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้ปัญญาก็จะบอกว่าอย่าไปอยากนะอยากเราจะทุกข์นะอยากเราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดความอยาก ให้ได้หยุดกามตัณหาความอยากเสพกามหยุดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็ น, อ ย, น, นอยากได้นู่นอยากได้นี่และวิภาวะตัณหาความอยากไม่ได้นูน่นอยากไม่ได้นี่นี่คือภาวนามายะปัญญาถ้าจิตมีสมาธิแล้ว นี้ปัญญาที่ได้เรียนจากการฟังก็ดีจากการพิจารณาอยู่นเนืองๆก็ดีจะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาทันทีนะอย่างสมัยพุทธกาลสมัยทีพทททนะ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีสมาธิแล้วมีภาว ม, มีมีสมถะภาวนาแล้วมีฌานมีอุเบกขาแล้ว พอแสดงปัญญาปัญญาที่ฟังเลยกลายเป็นภาวนามยปัญญาโดยอัตโนมัติฟังปุ๊บก็สามารถละความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้ทันทีเลยนี่คือทำไมคนฟังธรรมในสมัยก่อนจึงบรรลุธรรมได้เพราะใจเขามีสมาธิอยู่แล้วมีศีลที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว พอได้ฟังธรรมคือปัญญาปัญญามารวมกับสมาธิก็เลยกลายเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาก็าสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย น, นี่คือภาวนามายปัญญาที่เกิดตามมาจากได้ยินได้ฟังจากสุตตมัยปัญญา พอได้ยินได้ฟังครับมาพิจารณาทบทวนเป็นจินตามัยปัญญาพอเข้าใจปั๊บว่าจะต้องทำอะไรปุ๊บก็ละได้ทันทีละตัณหาได้ปั๊บก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ทันทีแต่บางคนบางคนนี้ปัญญายังตามไม่ทันนีย่ยพระปัญจวัคคีย์มีอยู่ห้าคนฟังธรรม แต่มีคนเนียวบรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่ฟังธรรมเพราะว่าสามารถเวลาฟังสามารถพิจารณาตามได้สามารถเจริญจินตามยปัญญาควบคู่ไปได้นึกภาพที่พระเจ้าทรงสแสดงขึ้นมาได้พระเจ้าทรงสแสดงอริยสัจ ส, สีผู้ฟังก็พิจารณาอริยสัจ ส, สีตามพอเข้าใจป๊บก็รู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าต้องละตัณหา ก็ละทันหาได้ภายในขณะที่ฟังเลยใจที่เคยกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็าายาหายกลัวเลยแต่อีกสี่คนที่ฟังอยู่ยังพิจารณาตามไม่ทันปัญญาได้แค่สุตะแต่ยังไม่ก้าวไปสู่จินตาไม่ได้ก้าวไปสู่ภาวนามยาปัญญาแต่พอมีเวลาได้ไปทบทวนมันหลังจากที่ฟังธรรมอยู่สักพักหนึ่งก็บรรลุ ได้ทันทีเหมือนกันนี่คือความช้าเร็วของปัญญาของแต่ละคนะบางคนพอฟังปั๊บจิตนี่มันคิดทันทีคิดตามได้ทันทีเข้าใจทันทีบางคนฟังแล้วยังไม่เข้าใจต้องมาคิดทบทวนหลายหลายรอบก่อนเดี๋ยวถึงจะเข้าใจพอเข้าใจปั๊บก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน เพราะทั้งห้าคนนี้มีสมาธิเท่ากันหมดเข้าฌานได้ทุกคนมีอุเบกขาเหมือนกันแต่ความไวของปัญญาไม่เท่ากันอุปยาญญานกนธัญญะนี้ปัญญาไวมากพอฟังพับนึกตามเลยพิจารณาตามพอฟังสุดตะก็เอามาแปลงเป็นจินตาพอจินตาเข้าใจปุ๊บ ก, ก็เอาไปใช้เป็นภาวนาเอาไป ละกิเลสได้เลยอันนี้เรียกว่าปัญญาทั้งสามเกิดขึ้นไล่เลีย้ยงไล่ไล่กันเลยฟังปุ๊บพอฟังปั๊บพิบพจารณาปั๊บแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติการได้เลยเอาไปละกิเลสตัณหาได้เลยไปกำจัดความทุกข์ได้เล ย, เ, ยเกิดขึ้นได้อย่างรวนเล็วสำหรับคนบางคน สำหรับคนบางคนนี่ต้องพูดไปแล้วพูดไปอีกปากเปียกปากฉีกก็ยังมาถามอีกถามว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อีกอธิบายอย่างยังก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยมีคนหนึ่งมานั่งฟังทำทุกวันถามว่าเข้าใจอันนี้จังหรือยังยังไม่เข้าใจอันนี้จังแปลว่าอะไรไม่ไม่เที่ยงแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเกิดแล้วตายไม่เข้าใจไม่เที่ยง ไม่รู้จะพูดยังไงนะถ้าอย่างนี้ไม่เข้าใจคำว่าไม่เที่ยงว่าเป็นอย่างไรก็มันไม่เที่ยงมันมันมันไม่ใช่มันมันไม่เที่ยงก็แสดงว่ามันต้องเป็นเช้าหรือต้องเย็นนันงเช้าพระาทิตก็ขึ้นเย็นพระอาทิตย์ก็ตกมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงวันที่จะต้องอยู่ตรงตรงกลางศีรษะทั้งวันมันถึงจะเรียกว่าเที่ยงแต่พระาทิตย์มันก็ไม่เที่ยงเห็นไหม เดี๋ยวมันก็เช้าเดี๋ยวมันก็เย็นใช่ไหมพระอาทิตย์ก็ยังมีขึ้นมีลงไงมีมีเกิดมีดับนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคําว่าไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกับดวงอาทิตย์มีเกิดมีดับร่างกายมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็มีดับนดับเดี๋ยวก็มีร่างกายใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาดับใหม่ ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันเกิดวันนี้เดี๋ยวมันก็ดับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาดับใหม่มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ตรงกลางตรง12โมงถ้าอยู่ตรง12โมงเนี่ย น, นาฬิกามันหยุดเดินเนี่นนะถึงจะเรียกว่าเที่ยงอถ้าพระอาทิตย์หยุดเดินเมื่อไหร่นาฬิกาทั้งหมดนี้จะต้องหยุดถ้าถ้าเดินไปก็แสดงว่านาฬิกาไม่ตรงกับความจริงนะ ที่ทําที่นาฬิกาต้องเดินอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าพระอาทิตย์มันเดินอยู่เรื่อยๆนั่นเองอย่าว่าพระาทิตย์เดินในความจริงพระาทิตย์ไม่เดินเน่ะโลกมันหมุนมากกว่าโลกมันเดินโลกมันหมุนเลยจึงทําให้เห็นว่าพระาทิตย์มันมันเดินแต่ความจริงโลกถ้าโลกมันหยุดหมุนเมื่อไหร่นี่พระอาทิตย์มันก็จะหยุดเดินเมื่อนั้นนถ้าโลกมันหยุดหมุนเมื่อไหร่พระาทิตย์ก็จะเที่ยงเมื่อนั้นเนอะ โลกก็จะเที่ยงวันนั้นคนทุกคนก็จะเที่ยงคงจะไม่ตายเมืทานเราหยุดหมุนนี่คนที่เคยหนุ่มเคยสาวก็จะหนุ่มสาวไปตลอดเย่างพวกเรามาถ้าอยากจะให้คเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาหยุดโลกมาให้มันหยับหมุนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหยุดโลกหมุนได้เราก็หยุดเวลาเดินได้เมื่อเราหยุดเดินเวลาได้ร่างกายมันก็หยุดแก่ได้หยุดเจ็บหยุดตายได้ แต่มันเป็นได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราไม่มีกำลังที่จะไปหยุดโลกไม่ให้มันหมุนโลกมันหมุนเราไม่มีกำลังที่จะไปหยุดให้ให้พาทิตย์มันเที่ยงให้มันอยู่ตรงเที่ยงวันพระอาทิตมันก็ต้องเคลื่อนไปตามเวลาของมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เรียกว่าอนิจจ์ คนบางคนเพียงแต่คำว่าได้ยินคำว่าไม่เที่ยงก็เข้าใจแล้วบางคนนี้ต้องมาวาดภาพวาดแล้ววาดอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกก็ยังไม่เข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าความรู้ที่จะเอาสุตตมัจญปัญญามาทำให้เป็นจินตามัจญปัญญามันน้อยมากไม่สามารถนึกภาพออกว่า ความไม่เที่ยงเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงไม่มีตัวตนเป็นยังไงก็คือไม่มีใครมาทําให้โลกมันหมุนหรือทําให้มันหยุดหมุนนั่นเองไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้อันนี้ก็ร่างกายก็อนัตตาร่างกายไม่มีใครที่จะไปสั่งให้หัวใจเต้นสั่งให้ปอดทํางานมันทํางานของมันโดยอัตโนมัติเนี่ย มันเป็นระบบของมันมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีคนไม่มีตัวตนนี่คือสิ่งที่ยากสำหรับคนที่จะปัญญาถ้าไม่มีความสามารถที่จะนึกภาพออกเหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือทำไมจึงเรียนเก่งกับเรียนไม่เก่งก็คือความเข้าใจ คำสอนของครูอาจารย์ไม่เท่ากันนั่นเองครูอาจารย์สอนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่บางคนก็เข้าใจ ท, ทันทีบางคนก็ไม่เข้าใจทำไมหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองทำไมสองบวกสองต้องเป็นสี่ไม่เข้าใจเวลาสอบก็สอบตกทำข้อสอบไม่ได้อันนี้คือเรื่องของปัญญาของแต่ละคนนี้มีมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสามารถพัฒนาได้เพียงแต่ทําให้มันช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุช้าบรรลุเร็วก็อยู่ที่ความสามารถของปัญญานี้เองที่จะเข้าใจได้เร็วหรือช้าผู้ที่เข้าใจได้เร็วก็บรรลุได้เร็วผู้ที่เข้าใจช้าก็บรรลุได้ช้าอย่างพระปัญจะวะัคคียนี่ มีพระอัญญาณกนทัญญะนี่เข้าใจเร็วก็บรรลุ ก, ก่อนเพื่อนเลยส่วนอีกสี่รูปนี่เข้าใจช้าก็เลยต้องขอเวลาไปนัน่งคิดสักพักไต่ตองสักพักก่อนถึงจะเข้าใจอ๋อ оже, มันเป็นอย่างนี้เองหนึ่งวกหนึ่งเป็นสองเป็นยังไงก็เลยต้องเอาตัวเอาส้มสองลูกมาวางรวมกันอ๋อเวลาส้มมันอยู่ลูกเดียวมันหนึ่ง พอส้มสองลูกมาวางด้วยกันมันเลยเป็นสองอ๋อทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นยังไงพอสองกับสอง ม, มาบวกเป็นสี่ก็เอาส้มอีกสองลูกมาบวกเข้าไปกับส้มที่มีอยู่สองลูกก็เห็นมันเป็นสี่ฮะงับหนึ่งสองสามสี่บางคนนึกภาพไม่ออกคิดไม่ออกต้องเอาของจริงมาวางให้เห็นกับตาถึงจะเห็นว่าเนี่ยส้มหนึ่งลูกเนี่ยมันเป็นหนึ่งใช่ไหม พอส้มอีกลูกมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นสองเห็นไหมแล้วถ้าเอาอีกสองมาอยู่ร่วมกันมันก็กลายเป็นสี่นี่มันถึงจะเห็นภาพว่าอ๋อหนึ่งสองสามสี่มันเป็นยังไงสอนเด็กก็ต้องสอนด้วยรูปภาพใช่ไถ้าสอนรอดหนึ่งเป็นหนึ่งเด็กไม่เข้าใจคาว่าหนึ่งแปลว่าอะไรคาว่าสองแปลว่าอะไรกอกไก่เป็นอะไรต้องวาดรูปตัวไก่ให้เขาเห็นเลย ขอไข่เป็นยังไงเขายังต้องว่าดตัวขอไข่ให้เห็นเพราะเด็กปัญญามันน้อยถ้าจะสอนโดยที่ไม่มีรูปภาพมาประกอบมันไม่เข้าใจแต่พอโตอขึ้นสามารถคิดได้มากขึ้นสามารถ สามารถอจินตนาการได้มากขึ้นก็ไม่ต้องใช้ภาพนะเดี๋ยวนี้พอโตนี่อ่านหนังสืออ่านิยายไม่ดูการ์ตูนแล้วใช่ไหมคิดเหียดดูภาพไม่เสียเวลามันช้าอ่านหนังสือแล้วจินตนาการไปเองเลยคนนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นผมยาวอผมสั้นผมสีเขียวผมสีแดงมีตามีคิ้วมีจมูกแบรนจมูกโด่งมีฟัน ฟันไม่ตรงฟันคดฟันเคี้ยวอะไรมันนึกภาพตามได้ทันทีตามที่ได้อ่านอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือปัญญาคือการนึกภาพให้ให้ให้เห็นภายในใจของตนเองว่าสิ่งที่เขากําลังพูดเขาถึงบอกเรานี้เหมือนเป็นอะไรถ้าเราไม่นึกภาพเรานึกไม่ออกเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไระ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเราก็ต้องเอามานึกภาพเนี่ยพุทธเจ้าบอกเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องมานึกภาพสินึกภาพของตอนที่เกิดจะเป็นยังไงะตอนที่เกิดเป็นทารกเนี่แล้วเดี๋ยวพอแก่เป็นยังไงนึกถึงเรายังไม่แก่แต่เรามีภาพของคนแก่ให้เห็นไม่ใช่หรอปูย่ย่าตายายเราก็เห็นกันทุกคนพ่อแม่เราก็เห็นกันอยู่ทุกวันนั่นแหละเขาเรียกว่าแก่ะ แล้วร่างกายที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องให้นึกอย่างนี้แล้วก็ไปงานศพก็เพื่อให้ไปดูนี่แหละาตายเป็นอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาก็ไม่ให้เห็นศพอกีกให้เห็นค่เฉพาะวันไปรดน้ำศพเท่านั้นเองถ้าอยากจะไปดูศพต้องไปวันรดน้ำศพถึงจะเห็นอ๋อคนนี้ที่เคยวิ่งไปที่เคยลุกเดินเหินไปไหนธรรมาอะไรพูดจาคุยกันได้ ตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยนอนนิ่งเฉยๆเนี่ยคือตายนี่คือภาพที่เราต้องเอามานึกอยู่เรื่อยๆมันถึงจะจดจำอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วมันจะทำให้เป็นปัญญามาลากกิเลสตัณหาได้แต่ถึงแม้จะนึกได้จาได้นะแต่ถ้าใจยังไม่มีสมาธิมันก็ยังไม่สามารถที่จะมา และความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ยังไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะใจมันมีตัวที่มาคอยสร้างความกลัวนี้อยู่ที่เราไม่มีกำลังที่จะไปหยุดมันแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิทำจิตให้นิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาได้เราจะมีกำลังสู้กับตัวที่จะมาผลิตความกลัวนี้ เราคิดถึงความแก่ความกลัวจะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาเราหยุดมันได้ทันทีนี่คือภาวนาส ม, มถภ า, าวนาถ้าไม่มีส ม, มถภ า, าวนาปัญญาก็จะเป็นได้แค่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาจะไม่สามารถเป็นภาวนามยปัญญาได้ เมื่อไม่เป็นภาวนามายับปัญญาก็าจะดับความทุกข์ไม่ได้ความกลัวตายนี้ก็เป็นความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายเกิดจากความอยากอ ย, กอยู่เกิดจากความอยากไม่ตายที่ใจยังไม่มีกำลังที่จะหยุดมันนั่นเองทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็ตามแต่ความอยากไม่ตายความอยากอยู่มันมีกำลังมากกว่า กว่าใจที่จะรับความจริงนี้ได้เพราะใจไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้นั้นเองจึงยังเกิดความกลัวอยู่ถึงแม่ฟังเทศฟังธรรมมากี่ครั้งกี่คราวพอกลับไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็กลัวขึ้นมาทุกทีไม่เชื่อลองไปอยู่ที่หน้ากลัวดูดูจะความกลัวจะเกิดัหม ถ้าอยากจะรู้ว่าความกลัวหายหรือไม่หายอย่าไปอยู่ที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยมันมันไม่ใช่เป็นที่วัดว่าเรามีความกลัวหรือไม่มีความกลัวถ้าอยากจะดูว่าเรายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าให้ไปอยู่ที่มันน่ากลัวเลยไปอยู่ที่ป่าช้าตอนคืนคนเดียวไปอยู่ที่ในป่าลึกที่มีสิงสารสัตว์ต่างๆแล้วดูซิว่า ความกลัวตายมันเกิดขึ้นมาหรือไม่อันนี้เป็นวิธีที่เราจะวัดตัวเราเองว่าเรามีภาวนามายปัญญาหรือเปล่าถ้ายังกลัวก็แสดงว่ายังไม่มีภาวนามายปัญญาเพราะยังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานั่นเอง ต้องกลับมาเจริญสติกลับมาเจริญสมาธิกลับมาเจริญอุเบกขาให้ได้นะแล้วก็ต้องเป็นอุเบกขาแบบลึกแบบยาวแบบนานไม่ใช่เป็นแบบอุเบกขาแบบงูแลดลิ้นนะสมาธินี้มีสองแบบด้วยกันที่ที่เรียกว่าสมาธิที่เป็นอุเบกขาคือคณิกะสมาธิกับอปปนาสมาธิน ครา น, นี้กะสมาธินี้สงบเชื่องููแลบลิ้นสงบปุ๊บก็ถอนออกมาทันทีอุเบกขาก็ได้แค่วบเดียวพอออกมาก็หายไปหมดแบบนี้ยังใช้ไม่ได้แบบนี้เป็นแบบเรียกว่าแบบลองชิมแบบทดลองให้ชิมเหมือนให้เราไปลองขับรถที่เราจะซื้อดูว่ารถยี่ห้อนี้คันนี้รุ่นนี้ ขับแล้วเป็นไงชอบไม่ชอบะถ้าไม่ลองขับจะไม่รู้พอได้ลองขับแล้วก็จะรู้เอารถคันนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากจะซื้อทันทีพอจ่ายเงินปับ๊บทีนี้ก็ขับได้ทั้งวันทั้งคืนะอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิใหม่ๆจะเป็นคณิกะสมาธิมันจะเข้าไปได้ปั๊บเดียวมันก็ออกมาเพราะสติยังมีกําลังน้อยมาก แต่ก็มีกําลังมากพอที่จะหยุดความคิดหยุดหยุดจิตให้นิ่งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งเขาถึงเรียกว่าคันิกะสมาธิพอได้สัมผัสกับคณินนกะสมาธิแล้วเทนี้มันจะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดความต้องการที่จะได้สัมผัสกับสมาธิแบบนี้ เพราะว่าสมาธิแบบนี้มันมีรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือนัติสันติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่คนที่ได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิแล้วนี่ จะไม่อยากได้อะไรแล้วเหมือนคนที่ได้ไปขับรถโรลส์รอยเพียงครั้งเดียวนั่งแล้วไม่อยากจะไปนั่งรถยี่ห้ออื่นแล้วเอาคันนี้เอาคันนี้อย่างเดียวตอนนี้ไม่มีเงินเดี๋ยวจะไปหาเงินมาซื้อรถคันนี้ให้ได้ไม่เชื่อลองไปนั่งดูสิรถของพระเจ้าแผ่นดินนะใครมีเงินซื้อลองซื้อมานั่งดูสิหรือไปขอลองนั่งเลยก็ยังดี ได้นั่งสักครั้งหนึ่งแล้วบอกโอ้ยไม่อยากจะนั่งรถยี่ห้ออื่นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันคณิกะสมาธิก็เหมือนกับรถโรลส์รอยที่เขาให้เราลองขับอยู่ให้เราทดลองดอูพอเราได้ทดลองขับแล้วแบบโอ้ไม่เหมือนกับรถยี่ห้ออื่นเลยทีนี้ไม่เอาแล้วรถยี่ห้ออื่นจะเอารถยี่ห้อนี้ ตอนนี้เงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาเงินไปเก็บเงินมาซื้อรถยี่ห้อนี้ให้ได้เยพวกที่ได้คณิกะสมาธิกันไหมหมออ๋อตอนนี้สติยังมีน้อยเดี๋ยวต้องหาสติเพิ่มให้มากต้องหาเวลามาเจริญสติมาฝึกสมาธิให้มากตอนที่ทําตอนนี้ทําแบบสมัครเล่นบับทําแบบทดลองดูพร้อม พอได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมแล้วทีนี้อยากจะได้นะสิทีนี้เคยทำงานทำการทำอะไรต่างๆลาออกเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมเงินเดือนที่ได้สู้ลถแห่งธรรมที่ได้จากสมาธิไม่ได้ต่อให้ได้เพิ่มเงินเดือนอีกสิบเท่าร้อยเท่ามันก็สู้ลถแห่งธรรมที่ได้จากสมาธินี้ไม่ได้ ก็จะไม่อยากจะทํางานจะขอลาออกจากงานมีครอบครัวก็ขอลาออกจากครอบครัวจะไปขอ <c oughs> จะขอไปอยู่คนเดียว <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้ไปเจรานสต <c oughs> ิเพื่อจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมอันนี้ น, นี่คือหน้าที่ของคณิกะสมาธิเป็นให้เราได้ทดให้เราได้ลองสัมผัสกับรถแห่งธรรมว่าเป็นอย่างไร พอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วทีนี้เราจะไม่อยากได้รถอย่างอื่นแล้วราบยศสรรเสริรูปเสียงกลิ่นรถนี้ไม่มีความหมายกับจิตใ จ, จของผู้ที่ได้สัมผัสกับคณิกะสมาธินะ ทีนี้อยากจะได้เป็นอัปปนะอยากจะได้เป็นอัปปนาสมาธิแล้วอยากจะให้มันสงบนานๆจากหนึ่งวินาทีเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนา ท, เนนาทีเป็นชั่วโมงถ้าทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจเจริญสติเยอะเรื่อยๆ ต่อไปก็จะได้อัปปนาสมาธิสงบก็สงบได้ยาวและเวลาออกมาอุเบกขาก็ยังจะอยู่กับใจได้นานขณะอยู่ในสมาธิก็สงบนิ่งมีอุเบกขาขณะออกมาก็ใช้สติคอยควบคุมความคิดประคองให้อุเบกขาอยู่ไปนานๆถ้าถ้าต้องใช้ความคิดแล้วอุเบกขาหมดก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่น นี่คือระดับของการปฏิบัติสมาธิต้องให้มีอุเบกขาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและเวลาที่ออกจากสมาธิมาถึงจะพร้อมที่จะเอาไปสู้กับกิเลสตัณหาได้ไม่ใช่แค่ได้อัปปนาครั้งเดียวนั่งได้สิบห้ายี่สิบนาทีออกมาแล้วคิดว่าจะไปสู้กับกิเลสได้ยังสู้ไม่ได้หรอกเพราะออกมาได้ไม่กี่นาทีอุเบกขาหายไปแล้ว พอเกิดความอยากขึ้นมาสู้มันไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้เราพูดถ้าปฏิบัติถึงขั้นนั้นมันจะรู้เองมันจะรู้ว่าสมาธิกำลังพอหรือยังพอที่จะสู้กับกิเลสได้หรือยังพอที่จะหยุดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายได้หรือยังผู้ปฏิบัติจะรู้เองแต่อันนี้พูดให้ฟังให้เข้าใจว่าขั้นของการปฏิบัติแต่ละขั้นนี้เหมือน เป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่เป็นขั้นแบบที่เราคิดกันพอได้สมาธิปุ๊บออกทันปัญญาต่อได้เลยอันนี้พูดแบบไม่รู้เรื่องแบบไม่เข้าใจไม่เคยปฏิบัติไม่รู้ว่าสมาธิที่จะลองรับปัญญานี้เป็นสมาธิแบบไหนมันต้องเป็นสมาธิที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะอยู่ ในข้างในสมาธิเรื่อออกจากสมาธิมามันก็ยังมีอุเบกขาใจยังป่าเสจากความรักชังกลัวหลงอยู่นะเท่านั้นนั่นแหละถ้าไม่มีรักชังกลัวหลงแล้วตัณหามันเกิดไม่ได้พที่ตัณหามันเกิดเพราะเกิดจากความรักชังกลัวหลงนี่เองมันรักอะไรมันก็เกิดความอยากให้สิ่งที่อยากได้อยู่ก็เราเป็นานๆนมันชังอะไรก็อยากให้สิ่งที่เราชังหายไปเร็วๆ เห็นไหมพอเจอความเจ็บป๊บนี่อยากให้มันหายทันทีนี่ถ้าอยากให้มันหายแสดงว่าไม่มีอุเบกขาเฉยอยู่กับความเจ็บไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิยังกําลังไม่พอต้องหมั่นฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆจนเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าเวลาที่จะเกิดความลักชั่ง ความที่ความรักชังกลัวหลงจะเกิดนี่แทบจะไม่มีเลยเห็นอะไรก็เฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ถ้ามันก็ยังมีช่องเวลามันเผลอยังมีช่องว่างอยู่พอมีช่องว่างติเลตมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีตอนนั้นก็ต้องรีบใช้ปัญญาใช้สมาธิมาเสริมมาหยุดมันทันทีนะนี่คือ การที่จะแปลงปัญญาขั้นที่สองให้เป็นขั้นที่สามคือภาวนามายะปัญญาก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเป็นอัปปนาแบบยาวนานไม่ใช่แบบแค่เป็นพักๆครั้งละครึ่งชั่วโมงครั้งละชั่วโมงออกมาปั๊บเดียวหายไปหมดนี เพราะกิเลสมันจะมาตอนที่ออกมาจากสมาธิมันมันมันไม่มาตอนที่อยู่ในสมาธิเพราะตอนที่อยู่ในสมาธิมันออกมาเพ่นพ่านไม่ได้มันจะออกมาเพ่นพ่านได้เวลาที่จิตออกจากสมาธิพอจิตไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ตอนนั้นกิเลสมันถึงจะออกมาแล้วตอนนั้นดูซิว่าปัญญากับอุเบกขามันมาทันหรือเปล่ามันมากาจัดความอยากทันหรือเปล่า พอไปอยากว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นแฟนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็เกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาหยุดมันได้หรือเปล่าปัญญามาทันไหม ปัญญาพิจารณาทันหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เรากขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเขาเป็นอนัตตาร่างกายเขาเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจังเดี๋ยว ก, ก็ต้องตายเราไปห้ามเขาไม่ได้มันมาทันหรือเปล่าปัญญาถ้านมันมาทันจิตก็จะเฉยความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรไม่เป็นอย่างนั้นก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจ ที่เกี่ยวกับเขาก็จะหายไปเห็นเขาก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้เฉยแบบไม่มีก็เรียกว่าใจไม้ใจละกรรมอย่างนั้นไม่ได้เฉยแบบนั้นเฉยแบบเฉยแบบไม่มีอารมณ์แต่มีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะดูแลกันอย่างอย่างสุดๆเพียงแต่ว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้เท่านั้น ถ้ามันทําไม่ได้ดูแลไม่ได้มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าดูแลได้ทําได้ก็ดูแลอย่างสุดๆทําอย่างสุดๆนะอันนี้อุเบกขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาแบบใจไม้ไส้ละกรรมบางคนคิดว่าอุเบกขาแล้วเขาจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้ก็ไม่ช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ใช่เป็นอุเบกขา อุเบขานี่คือใจเราไม่ทุกข์กับเขาแต่ใจเราไม่จะเป็นใจไม้ไส้ละกัมไม่ดูได้ถ้ามีความช่วยเหลือได้ช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปเพียงแต่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆเท่านั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องมาศึกษามา มาสร้างกันขั้นต้นก็ต้องสร้างด้วยการศึกษาลรํ่เรียนไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมหรือเป็นการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อที่จะได้รู้ว่ า, เ, าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องเราต้องแก้อะไรเราต้องสร้างอะไรเราต้องละอะไรเราต้องมาละตันหาความอยากเราต้องมาสร้างมรรค คือเครื่องมือที่จะมามาดับความทุกข์มากําจัดความอยากต่างๆความอยากนี้มันอยู่ดีๆเราจะบอกให้มันให้มึงหายไปนะอยากลับมาอีกนะบอกมันได้แต่มันไม่มันไม่ฟังเรารๆมันเด้อดเดี๋ยวมันก็กลับมาเรื่อยๆวิธีที่จะทําให้มันไม่กลับมาก็ต้องเวลามันมาแล้วต้องไม่ไปตอบสนองความต้องการของมันเท่านั้นมันถึงยังไม่กลับมา ถ้ามันกลับมามันขออะไรเราก็ให้มันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ขอไปเที่ยวเราก็ให้มันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาขอไปเที่ยวใหม่ขออะไรถ้าให้มันขอกระเป๋าะให้กระเป๋ามันเดี๋ยวมันก็ไปขอกรองเท้าเองให้รองเท้ามันเดี๋ยวมันก็ไปขอเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าอยากจะให้มันไม่กลับมาก็คือมันมาขออะไรก็ไม่ให้มันขอกระเป๋าก็ไม่ให้มันใช้ใช้ใบเก่าไปขอรองเท้าก็ใช้คู่เก่าไป ใช้เสื้อผ้าขอเสื้อผ้าก็ใช้ของเก่าไปถ้ายังใช้ได้อยู่ก็มไม่ให้มันถ้าทําอย่างนี้นะความอยากมันถึงจะไม่กลับมาแต่เราจะฝืนความอยากได้หรือไม่พอมันเกิดความอยากได้ขึ้นมานี้ใจมันสั่นขึ้นมาแล้มือไม้สั่นไม่หมดใชกระเป๋าเงินทองในกระเป๋าก็สั่นไปหมดนะมันจะหายสั่นต่อเมื่อเราเอาเงินทองนี้ออกไปจากกระเป๋าแล้วเอาไปซื้อของที่เราอยากได้ อ่อซื้อแลทีนี้มือไม้ก็หายสันใจก็หายสันแต่มันหายชัวยว่วกลาววพาเราไปตอบสนองความอยากเดี๋ยวความอยากใหม่มันจะกลับมาใหม่ ถ้าไม่อยากให้มันกลับมาทุกครั้งที่มันต้องการเราต้องไม่ตอบสนองมันเราต้องทำใจเป็นอุเบกขาเพียงอย่างเดียวเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่ยินดียินร้ายกับของที่เราอยากได้เมื่อเมื่อไม่ยินดียินร้ายเป็นอุเบกขาใจก็จะไม่สัน่นถ้าใจสัน่นแสดงว่าไม่เป็นอุเบกขาก็ต้องกลับไปทำใจให้หายสัน่นไปพุโทโธพุโทโธไปกาหนดสติทาใจให้นิ่งให้สงบ พอใจนิ่งสงบใจก็จะหายสัง่งเป็นอุเบกขาทีนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำตามความอยากอีกต่อไปนี่คือวิธีที่จะพัฒนาปัญญาขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองและสู่ขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งคือการศึกษาการฟังกันอยู่เรื่อยๆไม่ฟังเดี๋ยวลืมเรือไม่ได้ความรู้ ต้องได้ฟินได้ฟังถึงจะได้ความรู้เมื่อได้ความรู้แล้วก็ต้องรักษาด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมแล้วก็ มาพัฒนากำลังของจิตมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาในจิตถ้ายังไม่มีอุเบกขาเพราะถ้ายังไม่มีอุเบกขาความรู้ที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยความรู้ที่เราได้เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆมันจะไม่มีกำลังพอที่จะไปละตัณหาดับความทุกข์ได้งังไงก็ต้องมาภาวนาสามถภ า, าวนามาเจริญสติสมาธิจนจิตกายเป็นอุเบกขาขึ้นมา แล้วพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้พอเกิดตัณหาก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาไปเฉยๆไปใจก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความอยากไม่ต้องไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปความทุกข์ก็จะหายไปเนี่ยนี่คือขั้นตอนของการใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ต้องเริ่มต้นด้วยการไปฟังเทศฟังธรรมไปอ่านธรรมะต่างๆก่อน เมื่อได้รู้ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เอามาพิจารณาไข้ควรอยู่เนืองๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนะเมื่อไม่ลืมแล้วเวลาที่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปฝึกสติไปฝึกสมาธิให้เกิดอุเบกขาพอเกิดอุเบกขาแล้วนี้เวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะหยุดมันได้ เพราะปัญญาบอกว่าตัณหาต้องละไม่ใช่ไม่ใช่ให้สร้างไม่ใช่ให้สร้างตัณหาให้ละตัณหาให้หยุดตัณหาให้สร้างมรรคแต่ให้ละตัณหาดังนั้นทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องไม่ทําตามความอยากถึงจะเรียกว่าละตัณหาถ้าใจสันก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขาถ้าสันก็ต้องกลับมาทําใจให้หายสันทําใจให้เป็น สมาธิให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่หะก็จะไม่สัน่นเช่นเวลาไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วกัดใจสั่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทำสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะหายสัน่นก็จะอยู่ในที่ที่น่ากลัวได้แต่ถ้าหยุดความสั่นของใจไม่ได้ใจมันก็อยากจะหนีอย่างเดียวมันก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ นี่คือขั้นที่สามต้องมีสมถภาวนาต้องมีโอเบขาถึงจะสามารถเอาปัญญาขั้นที่สองมามาสัมปยุติกันมารวมกันทําให้เป็นปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามัจยาปัญญาถ้ามีไปวภาวนามัยาปัญญาตัณหาหรือความทุกข์เกิดขึ้นปับ๊บสามารถดับมันได้ทันทีเกิดความกลัวขึ้นมาปั๊บหยุดมันได้ทันที นี่คือปัญญาที่เราต้องพัฒนาให้ถึงให้ได้ถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องยุติด้วยปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามายปัญญาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและปฏิบัต เพื่อให้กายเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาแล้วจิตของท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอ ยะถาวาเรวาหาปุราปะิลปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตตาังอุปกักปะติยิชิตังปะทิตังตุมังคิปเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนตุจังกะปาจันโทปนาะระโสยะถามณีจุติ อระโสยะธาสัพีต so ิโยวิวัจจันตุสัพโรโควีนาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาฒนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง พาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ทางเฟซบุ o กสามร้อยห้าสิบหกสองร้อยสี่สิบสองวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังบนเขาหกสิบสี่รวมทั้งสิ้นหกร้อยเก้าสิบสี่ท่านค่ะใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ขออากาศเจ้าขานะพระอาจารย์โยมปฏิบัติภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วมันเกิดความสุขอะค่ะแล้วตอนนั้นก็ไม่เข้าใจก็ไปแช่นิ่งกับความสุขเป็นเวลานานแล้วตอนนี้ก็เลยดึงจิตขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นให้มีสติเลยเข้าใจว่าตัวเองปล่อยไปแช่ตรงนั้น เป็นเวลานานมากก็เลยดึงขึ้นมามันก็เลยเริ่มมีสติแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะตอนนี้ก็คือจิตคณตพูดกองไปแล้วเวลาแช่นิ่งมันก็มีสติมีสมาธิมันถึงจะแช่นิ่งได้มันมีความสุขนั่นสิแล้วคุณจะไปถอนมันอมาทาไมนะคุณนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันแช่ให้มันนิ่ง ให้มีความสุขมันอยากจะอยู่แต่ตรงนั้นนะก็อยู่ไปให้มันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดเวลายี่บสี่มันจะได้ทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งครอบครัวก็ทิ้งเลยก็ทิ้งไปแต่มันมีแล้วมันทุกข์มีไว้ทําไมมันจะทิ้งแล้วครั้งก็ไม่ก็ยังไม่ทิ้งอ่ะก็เลยก็ทิ้งดูสิดคนที่เขาทิ้งหดูทําไมก็ทิ้งอ่ะเขาทิ้งเพราะว่ามันทุกข์ไงเจ้าค่ะเห็นว่ามันทุกข์เจ้าค่ะก็ต้องทิ้งสิน้อยไม่ทิ้ง่ะอ อยากยากอยากจะกลับไปหาเมดิคทุกิเลเหรอกได้ของดีแล้วกิเลรผมไม่ใช่ของดีรีบกลับไปหาของเก่าะก็เลยเอตอนนี้ก็คือปฏิบัติภาวนาให้มันนิ่งทั้งวันทั้งคืนไปด้ให้มันชิ่งให้มันเย็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้โยมถามนิดนึงถ้าเรามีครอบครัวเราปฏิบัติแบบคารวะผู้ปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าค่ะหมายความว่าไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกไป ถือสธิ์แต่ตอนมีครอบครัวยังมีภาระอยู่แล้วก็แยกตัวไปปฏิบัติสองปีกว่าเจ้าค่ะ แล้วยังไงแล้วตอนคือจริงๆลูกมีครอบครัวมาตั้งนานแล้วแล้วแล้วทําไมก็อยากจะไปให้มันสุดทางก็เลยปฏิบัติไปสองปีกว่าแล้วก็เลยมีสติดึงขึ้นมาว่าเรายังมีภาระในหน้าที่ของคาวาะอยู่ก็เลยอยากจะปฏิบัติอย่างคาวาะผู้ปฏิบัติธรรมอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําน่อยเจ้าก็ตกเกลิหลอกให้แนะนํำยังไงเราก็แนะนําให้กลับไปใหม่เลยถุกหลอกให้กลับมาแล้วนี่เห็นไหม ไปได้แล้วกลับมาถูกหลอกให้กลับมาเดินทางไปครึ่งทางแล้วบอกเฮ้ยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ลแล้วครอบครัวแล้วเจ้าค่ะก็เรื่องของเขาเลยเขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปอย่างนั้นเราปฏิบัติเราติดคุกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราไปติดคุกเย่างนี้อย่างนี้เราทําหน้าที่การงานทางโลกของเราแล้วก็บวชที่ใจได้ไหมเจ้าค่ะก็ตามใจเราจะเลือกจะทำยไงจะเอาอย่างไงเจ้าค่ะก็ทําแบบ เต็มร้อยไม่เอาอยากจะมาทำแบบห้าสิบก็แล้วแต่ห น, นี้ไปสองปีไปทำแบบเต็มร้อยถูกกิเลสหรอกว่าไม่ดีกลับมาทำแบบห้าสิบดีกว่าเหมือนเติมน้ำมันเก้าสิบห้าแล้วกิเลสบอกว่ามันไม่แรงพอเสียดายเอากลับมาใช้เก้าสิบเอ็ดก็พ อ, อก็เอาก้าวสิบเอ็ดก็แล้วแต่เราจะเลือกไงเจ้าค่ะก็ใช้เวลานานก็นั่นแนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็จะปฏิบัติแบบนั้นอย่ามาอย่ามากังวลกับกองเชียร์นะเราเชียร์ให้ปฏิบัติเต็มร้อยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเต็มร้อยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหานะเดี๋ยวจะมาคิดว่า <Okay. S 1> ออยากจะปฏิบัติแบบไห น, นก็เอาเลย <Okay. S 1> เราก็สอนแบบเราเนะี่ยส่วนคนจะเอาไปปฏิบัติจะไปปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่ <Okay. S 1> คำถามคำถามจาก ยูทู e คุณแซมค่ะกราบนมัสการครับเวลาภาวนาเวทนามันเกิดจิตมันทนไม่ได้มีวิธีใดถึงผ่านได้ครับก็สติไงก็พุโทโธไปเสดบริกรรมไปสวดมนต์ไปอย่าลุกให้มันเจ็บไป ไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันไม่ทรมานที่มันทรมานเพราะอยากให้มันหายอยากจะลุกถ้านั่งต่อไปพุโทโธได้เดี๋ยวมันก็ลืมความอยากที่จะลุกมันก็ไม่ทรมานความเจ็บไม่หายแต่ความเจ็บไม่ไม่ใช่ตัวทำให้เราทรมานตัวที่ทำให้เราทรมานก็คือตัวความอยากให้มันหายเจ็บ คำถามต่อไปจากคุณอลักกีเกิร์ลค่ะกับนรัสการพระอาจารย์ค่ะความอยากมีงานทำงานที่มั่นคงคงไม่ต้องทำบาปจัดเป็นตัญหาหรือไม่คะอะ่มันก็อยากไม่ใช่เลยอยากก็ภาว่าตัญหาอยากได้งานที่มั่นคงมันก็เป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นแนหะถ้ายังอยากทำงานอยู่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่อยากบวชนะถึงจะไม่เป็นกิเลส คำถามต่อไปจากคุณนัทยาค่ะขอกราบเรียนถามว่าการที่เราพูดคุยกับแม่แต่แม่ไม่ฟังเหตุผลเราจนในที่สุดแม่ก็ได้นําคําพูดเราไปคิดว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกต้องบางครั้งแม่ก็น้ําตาไหลอย่างนี้ลูกจะบาปไหมคะบาปยังไง่ะก็พูดธรรมะพูดความจริงเขาน้ําตาไหลอาจจะไหลเพราะความปิติก็ได้หรือว่าเขาน้าตาไหลเพราะกิเลส ข, ของเขา ถือว่าเขาเป็นแม่ถูกลูกสั่งสอนลเลยน้ำตาไหลอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นกิเลสของเขาถ้าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงเป็นประโยชน์มันก็ไม่น่าจะปราบตรงไหนคำถามต่อไปค่ะถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ควรทำให้น้อยลงหรืองดไปเลยใช่ไหมเจ้าคะก็ลองคิดดูเอาเองดีกว่าใช้เรามา ตัดสินใจให้ทุกขั้นทุกตอนก็บอกหลักแล้วว่าวิธีปฏิบัติไม่ให้คุกคีกันให้เปีกวิเวกคุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองเดี๋ยวก็มาโทษเราทีหลังว่าอาจารย์ทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีสังคมงั้นการตัดสินใจผู้ปฏิบัติต้องตัดสินใจเองเพราะเพื่อ เพื่อเราจะได้ไม่ถูกกล่าวหาทีหลังว่าปั่นหัวคนนั้นปั่นหัวคนนี้ให้ทิ้งครอบครัวให้ทิ้งสามีให้ทิ้งลูกไม่ให้สังคมอันนี้เราไม่ได้ปั่นนะ เป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านนะเราไม่ได้บอกแต่ เ, เพียงบอกว่าถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็คือนี่ก็คือวิธีที่ทําให้เราพ้นทุกข์แต่คุณจะทําให้ทํานี่เป็นเรื่องของคุณอย่าทําเพราะเราอย่าตัดสินใจเพราะว่าอาจารย์สอนถ้าไม่ทําตามแล้วเกงใจอาจารย์กลัวจะอย่างนี้อย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทําแบบนี้เราสอนแล้วไม่ทําตามเราก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่ามากล่าวหาเราทีหลังก็แล้วกันเวลาเกิดอะไรขึ้นมาทีหลัง คำถามต่อไปจากคุณทิตยาค่ะเดี๋ยวนี้คนใกล้ตัวจะพูดถึงโรคซึมเศร้ากันเยอะคนโน้นคนนี้เป็นอันตรายตรงที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายเขาบอกว่ามีสารที่สมองเป็นตัวการเลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราจะสามารถใช้หลักธรรมข้อใดในการเยียวยาคนที่อยู่ในอาการเหล่านี้ได้คะจิตกับสมองเสื่อมโยงกันได้ไหมคะถ้าใช่กก ควรมีทางที่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยคะ่ะโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคสมองตัวที่ทำให้ซึมเศร้าก็คือกิเลสตัณหาเนี่ความอยากได้พอไม่ได้ก็เศร้าพอไม่ได้บ่อยๆก็ซึมก็เลยซึมเศร้าพอผิดหวังบ่อยๆมันก็เสียใจก็ซึมเศร้าท่านนี้ถ้าไม่อยากจะซึมเศร้าก็อย่าไปอยาก ยินดีตามมีตามเกิดมันก็ไม่เสืมเศร้าเห็นไหมดูขอทานขอทานมันไม่มีอะไรมันไม่เสืมเศร้าหรอกเพราะมันยินดีตามมีตามเกิดะขอทานวันนึงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่คนบางคนมีเยอะแยะกับเืมเศร้าเพราะว่ายัางอยากได้มากกว่าที่มีอยู่พอไม่ได้ดังใจอยากก็เลยเืมเศร้าขึ้นมาฉอนั้นโรคเสื่มเศร้านี้เป็นโรคที่เกิดจากกิเลสตัณหาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสมองเอ นี้พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องจิตก็เลยไปทุกอย่างก็โย น, นไปที่สมองหมดเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณวันมิภาค่ะโยมีคำถามว่าโยมีความทุกข์กับความรักมาตลอดชีวิตทําให้การปฏิบัติทํามไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวในการอยู่คนเดียวและปฏิบัติทําให้เต็มที่มีเหตุปัใจจัยให้ต้องแพ้กิเลสอยู่เรื่อยๆพระอาจารย์มีวิธีการแนะนําให้โยมีจิตใจที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวสู้กับกิเลสได้อย่างไรไหมคะ เราก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรารักของบุคคลที่เรารักว่าเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็ต้องพัดภาคจากกันเมื่อพิจารณาอาสุภะของคนที่เรารักพิจารณาตับไตไส้พุงกาบั่งพิจารณากะโหลกศีรษะโครงกระดูกเกาบ้างถ้าเห็นแล้วมันจะได้ผูตาสว่างขึ้นตอนนี้ยังตามืดอยู่มองไม่เห็นของที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นแต่เห็นแต่ผิวหนังที่หุ้มหอ่อ กระโหกศีรษะหุ้มหอ่อโครงกระดูกหุ้มหอ่อปอดหัวใจตับลำไส้อะไรต่างๆต้องมองความจริงมองให้มันเห็นทั้งหมดร่างกายไม่ใช่มีแต่เฉพาะผิวหนังเท่านั้นอนอกจากผิวหนังแล้วมันยังมีอะไรเยื่อแยะที่เราไม่มองกันถ้ามองแล้วมันก็จะได้เกิดอความเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดความไม่อยากได้ขึ้นมาก็จะอยู่คนเดียวได้ คำถามต่อไปค่ะมีญาติโดนคนโกงเงินไปเขาเสียใจมากๆขอความเมตตาขอทำข้อคิดให้เขาได้ทําใจได้ไหมเจ้าค่ะอะก็เหมือนเงินหายนะคิดว่าเป็นเงินหายก็แล้วกันอมันหายแล้วก็หาย <laughs> อย่าไปหวังให้มันกลับมามันก็ไม่ทุกที่ทุกเพราะหวังอยากจะให้มันกลับมาโดยให้คิดว่าเป็นเงินยืมก็ามาก็แล้วกันยืมเงินก็ามาเขาก็มาทวงคืนไปทนั้นเอง เดี๋คิดว่ามาตัวเปล่าเปล่าเดีเ๋ยวก็ไปตัวเปล่าเปล่ามันก็เหมือนกัน <laughs> แล้วมีใครเอาอะไรไปได้บ้างไหยมีสมบัติเกีบหมื่นล้านแสนล้านเอาไปได้ปะเวลาตายทิ้งให้คนอื่นก็าหมดก็เหมือนถูกเข้าโกงไปนั่นแหละเห็นไหมลูกยังเวลาลูกโกงตอนก่อนตายก็โมโหไหม <laughs> แต่เวลาลูกโกงตอนที่ตายแล้วไม่โมโห <laughs> พอตอนตายลูกเขาไปไม่โมโหแต่ถ้าตอนยังอยู่นี่ลูกเขาไปนี่โหโมโหจะฆ่ากันตายให้ได้ไหม เพราะยังไปยึดว่าเป็นของเราอานีน้ต้องไปยือดอย่าไปเถยว่าเป็นของเราเป็นของชั่วคราวใครมันฉลาดกับเรามันเอาไปได้ก็ต้องสาทุมันเออมันเก่งกว่ากูเนี่ยมามันหลอกกูได้กูโง่เองมันจะได้เอามาเป็นบทเรียนสอนใจคำถามต่อไปจากคุณบีนี่ค่ะอยากกราบถามพระอาจารย์ว่าถ้ามีคนอิจฉาแล้วแกล้งทําให้เราขาดรายได้ไปเราควรจะทําอย่างไรคะ ก็สาธุเข้าไปบอกขายขาขายดิบขายดีไปเราจะได้สบายใจแบ่งกันก็คิดว่าแบ่งกันก็แล้วกันเราจะมาเขาก็อยากได้เราก็อยากได้เมื่อเขาเก่งกว่าเราเขาไปได้ก็ถือว่าเราก็ต้องสาธุเขาละเหมือนแข่งกีฬาถ้าเขาชนะเราเราก็ต้องสาธุเขาว่าเออเขาเก่งกว่าเราฝีมือเขาดีกว่าเราถ้าเราอยากจะเก่งของเขาเราก็ต้องพัฒนาฝีมือเราให้ดีขึ้น คำถามต่อไปค่ะการที่เราไปปฏิบัติธรรมและปล่อยให้คุณแม่เลี้ยงลูกให้แทนเราจะบาปไหมคะที่ทำให้แม่เราต้องลาบากค่ ะ, ะคุณไปทำงั้นทำไมนะมาถามเราทำไมนะคำถามต่อไปค่ะการที่หนูเอากับกาวดักหนูและแต่ใส่บาดให้ไปนี่บาปไหมคะ ใส่กาวดักหนูให้พระใส่บาตร ไ, ไปไ ม, ไม่ค่ะคือคือดักหนูโดยใช้กาวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใส่บาตรให้กับหนูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแต่ <c oughs> ใส่บาตร ไ, ไปค่าแล้วก็ไปทําบุญให้เขาอ่อก็อย่าไปค่าเสียเงไม่ต้องไปทําบุญให้เสียเวลาค่ะช่วงนี้คําถามหมดค่ะหมดแล้วเนีอยมีคําถามแปลกๆเรื่อยๆ ก็อย่าไปฆ่าเขาจะได้ไม่ต้องไปทําบุญให้เขาเป็นฆ่ากัาแล้วไปทําบุญให้เขาถามเขาว่าเขาพอใจไหมล่ะคนที่ถูกฆ่าหรือถ้าเราตัวเราก็คนคนหนึ่งเขาจะมาฆ่าเราบอกให้กูจะฆ่ามึงแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วกูจะทําบุญส่งให้มึงงเยาวไหมคิดคิดถึงเขาเราบ้างเราจะได้ทําเขาไม่ลงคอเข้าใจไหมเวลา ทำเขาไม่เคยคิดว่าถ้าเราถูกเขาทําบ้างจะคิดจะเป็นอย่างไรพยายามหัดคิดบ่อยๆจะทําอะไรใครคิดกันว่าถ้าเราถ้าเขากลับมาทําเราอย่างที่เราทําเขาเราจะคิดอย่างไรเราอาจจะไม่กล้าทําก็ได้ไม่อยากจะทําก็ได้ทําไปแล้วก็แก้ไม่ได้หรอกบาปที่ทําไปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปถ้าเขาเอาท่าปยาบาชา้าน้าเจอกันเขาก็ต้องทําเราจนได้ ถ้าไม่ทำเขาเขาก็จะไม่ทำเรา mm. ยังไม่มีมาใช่ไหมยังไม่มีมา mm. ค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหม You have any more question? Yeah maybe ask you more. Okay u แล้วกันอ้าแค่นี้ก็แล้วกันนะค่ะ